วันนี้จริงหลวงพ่อไม่ควรเทศเรานะอุปชาอาจารย์หลวพ่ออยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยแต่ท่านบัญชาให้เทศก็ต้องเทศมีการรับใช้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็รูสร้สึกวัดบุญนี่แหละมาฟังธรรมจากหลวงปู่ดุลหลวงปู่ก็สอนไม่ยากอะไรประโยคแรกที่ท่านสอนเลยก็คือการปฏิบัติเนี่ยไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติแล้วก็อ่านหนังสือมามากแล้วตอนนี้ให้อ่านจิตตนเองที่แรกเลวงพกว็อ่านไม่เป็นแล้วก็ไปบังคับจิตไปฝึกให้จิตมันนิ่งนิ่งให้จิตไม่ลึกไม่ปรุงไม่แต่งฝึกอยู่สามเดือนจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ตัวอยู่เฉยเฉยแล้วนะมันไม่เดินปัญญา ต, ต่อหอแต่เราไม่รู้เราคิดว่ารู้ตัวอยู่เฉยเฉยนะ่าดี เป็นผู้รู้แล้วนี่แหละดูจิตดูจิตนะฮหลวงปู่นะหลวงปูบ่บอกทาผิดแล้วล่ะไม่ได้แทรกแสงอาการของจิตธรรมชาติของจิตต้องคิดนึกปลุกแต่งนั้นเราไม่ใช่มาฝึกให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปลุงไม่แต่งแต่ว่ามันคิดนึกปลุงแต่งแล้ว เ, เกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลเกิดอกุศลให้รู้และเฝ้ารู้เฝ้า ด, าดูจิตใจของเรามันทํางาน เมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียจงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกความรู้สึกทางใจมันจะเกิดขึ้นสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างพอความรู้สึกใดๆเกิดขึ้ น, นให้มีสติคอยรู้เท่าทันเราจะเห็นเลยจิตเมื่อกี้เฉยๆพอกระทบอารมณ์ในนี้ไม่เฉยแล้วลแต่เป็นสุขแล้วหรือแต่เป็นทุกข์แล้วทีก็เป็นกุศลื่อทีก็เป็นอกุศล เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปตามธรรมชาติธรรมดาง่ายๆถ้าเมื่อไหร่จิตฟุ้งซ่านก็ทําปั่นสงบเข้ามาเป็นระยะระย ะ, ะ, ย ะ, ะเนี่ยเจริญสติจเจริญปัญญารวดไปบางทีใจฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องถ้าเมื่อไหรดูจิตดูใจไม่ออกนะให้มาดูกายดูกายก็ไม่รู้เรื่องแล้วใจฟุ้งมากทําปั่นสงบนะมาอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปปัใจมันมีเครื่องอยู่ มันได้พักผ่อนอยู่ในอารมณ์มันมีความสุขความสงบความสบายจิตใจมันได้พักผ่อนแล้วมันมีเรียรเร่ยวมีแรงขึ้นมาพอมันมีเรี่ยวมีแรงแล้วอย่อยู่เฉยเฉยขี้เกียจขี้คลานให้ออกมาเดินปัญญาออกมาเดินปัญญาก็คือมาดูกายทํางานมาดูใจทํางานถ้าดูจิตใจทํางานได้ให้ดูจิตไปเลยเพราะว่าจิตเป็นหัวหน้าของธรรมะทั้งหลายนแอกูสลหรืออากูสนอะไรเนี่ยมันถึงข้อจิตทั้งนั้นเลยแต่ทั้งมรรคผลก็เกิดที่จิต การจิตมันเป็นใหญ่มันเป็นหัวหน้าในธรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ก็ค่อยดูกายหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลด้วยว่าหลวงปู่ครับผมไปวัดไหนวัดไหนนะได้ยินครูบาอาจารย์อื่นๆท่านสอนญาณโยมตองให้ฟุตโต้พิชรนาคไกาผมจะต้องไปพี่นาคไก่ไหมท่านมองแบบสังเวชแต่ท่านไม่ว่าหรอกท่านมองแบบสลดสลดใจแต่ท่านก็บอกให้ว่าเขาดูกายเพื่อให้เห็นจิต ดูกายเพื่อให้เห็นจิตเอามันเข้ามาถึงจิตแล้วเอาอะไรกับกายกายเป็นของชี้งโยนไป e ทิ้งไปเลยที่หลวงพ่อก็มาหาดัดดูจิตดูใจนะดูอยู่ไม่นานหรอกหเห็นเลยว่าเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ชั่วไม่ใช่ว่าจะต้องดีเดี๋ยวต้องสุกดี๋ยวต้องสงบนะไม่ได้ฝึกเอาดีพอดีไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกเอาสุกพอสุกไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกเอาสงบพอสงบก็ไม่เที่ยง แต่ฝึกจกนเห็นว่าทุกสิ่งเกิดเราดับทั้งสิ้นสามเล่าสามหญิงดูอย่างนี้ดูอยู่สี่เดือนมาหาโลปูที่แรกตอนที่หกุูมิภาสองพันห้าร้อยยสิบห้ามีฝึกอยู่สามเดือนทําผิดบังคับจิตให้นิ่งๆว่างๆท่านให้ไปทําใหม่ดูอยู่สี่เดือนอยู่สี่เดือนมาส่งกันบ้านแล้ว่าเข้าใจแนละ้วช่อตัวเองได้นะแล้วเพราะจริงๆก็คือเราได้สามารถเห็นความจริงนะว่าทุกอย่างมันเกจอเราก็ดับไป ดี๋ยวเรามาดูของจริงในจิตใจเราในใจเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เกิดแล้วไม่ดับแะแค่ความรู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงนี่ก็เกิดดับเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใชนี่ก็เกิดดับเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายโลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวหายโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหายหลงเนี่ยเฝ้าดูเฝ้าดูบ่อยๆนะจนเดี๋ยวท่านจิตมันเกิดปัญญาจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดสี่นั้นก็ดับแบาเข้าใจความจริงแล้ว ถ้าเข้าใจตรงนี้จิตยอมรับตรงนี้ได้นะความทุกข์ในโลกเนี่จะเข้ามาถึงใจได้น้อยเข้ามาได้ไม่มากอย่างเราสมมุติเราอกหักคนอื่นองฆ่าตัวตายเลยรุ่มใจทุกข์ใจมากถ้าเราอกหักเราเห็นความทุกข์เกิดขึ้นในใจเป็ของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้เกิดได้ดับได้เนื้อใจมันก็อยู่ของเราได้นานๆไปความทุกข์ตัวนี้นก็ไม่มีมก็หายไป ทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของเชื้วปลาหมดเลยเรื่งเห็นให้เห็นซ้ําแล้วซ้ำํำอีกซ้าแล้วซ้ําอีกนะไม่ใช่เรื่องอยากหรอกเพราะว่าทุกคนสามารถรู้ได้ขนณะ น, นี้จิตใจเราสุขหรือจิตใจเราทุกข์เราก็รู้ได้ขณะ น, น, นี้จิตใจเราดีหรือจิตใจเราชั่วเราก็รู้ได้แล้ชั่วชั่วแบบไหนในะใจมันโลภรู้จักโลภไหมมันอยากอยากไ ด, อกไ ด, อกไดอ้อยากได้อารมณ์น้อนอยากได้อารมณ์นี้รู้จักโปรดไหม โกรเนี่มันขัดเคืองไม่พอใจในอะารมณ์อยากให้อารมณ์นี้หายไปเนี่ยความรอบเราก็รู้จักความโกรธเราก็รู้จักรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักไหมฟุง้งซ่านรู้จักพวดหัวไหมเนี่ยใจเราเป็นยังไงนะเรารู้ได้ทุกคนนะหลวลงปู่ตรึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะคนไม่ปฏิบัติคือคนไม่สนใจจะดูถ้าสนใจจะดูจะยากอะไรใจเราสุขเราก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้นะ ใจจะดีก็รู้ใจจะรอบจะปลดจะหลงจะฟุ้งซ่านจะหดหูรู้แล้วรู้อีกรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้ามันฟุ้งไปนะดูไม่รู้เรื่องแล้วกลับมาทําความสงบมาอยู่กับพุทโพมาอยู่กับลมหายใจอะไรก็ทําไปแล้จิตมีเรื่องมีแรงแนละ้วก็ออกมาดูให้ตามีตาก็เห็นรูปมีหูก็ได้ยินเสียงมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็รู้รสนะมีร่างกายก็รู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรนะี้มีใจก็จิต ไม่ได้ห้ามคิดหลวงปู่โดนไม่ได้ห้ามคิดนะท่านบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดคือปล่อยให้จิตคิดแต่ว่าไม่ให้คิดแล้วหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดแล้วรู้ถ่านนะคิดแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้เน่ฝึกอย่างนี้ไม่นานดอกใจเราก็จะหายโง่อนะมันจะรู้ความจริงเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ ท้าไมมันรู้ความจริงเพราะความจริงมันทนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วมันไม่เคยหายไปไหนเลยความจริงไม่ใช่ผู้ให้เจ้าปรินิพานแล้วก็อเอาความจริงไปด้วย ท, ทุกวันนี้ใจเราเห็นไหมเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสีได้ตัวสีนั้นดำเห็นอยู่อย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ำอีกเข้าใจเราเข้าใจธรรมะในเบื้องต้นแล้วเราเงียบศีลของเราจะบริบูรณ์เราไม่กล้าทําผิดศีลหรอกมันละอายใจแล้วไม่กลัวผลก่อนการทาบาปทั้นหลาย ไม่กล้าทำใจมันจะเข้าเคลียร์อยู่กับศีลจะทําไม่คลาดจากศีลจะทําแต่เวลากิเลส แ, แรงมานะ่ก็เปเหมือนกันระดับสัมมาเบื้องต้นถนะ้าโดนกิเลสมาใจก็หวัน่นไหวเหมือนกันเห็นผู้หญิงสวยๆก็ชอบเหมือนกันนแต่ว่าชอบแล้วจะไปทําผิดศีลผิดทรรมไหมไม่ทำํำทั้งที่มีโอกาสก็ไม่ทําผิดเพราะว่าใจมันมีศีล ร, รักศีล สมาธิมีเล็กน้อยหมายถึงว่าจิตสงบแว้บเดียวก็ไหลจิตสงบแว้บเดียวก็ไหลเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยสมาธิเล็กน้อยเลยพวกเราต้องถือว่าเป็นพวกไรสมาธิพรนะโสดาบันนสมาธิเล็กน้อยพวกเราอยอะขนาดไหนน้อยกว่าน้อยอีกสังเกตในวันหนึ่งฟุ้งซ่านถึงเท่าไหร่ไปสังเกตใจตัวเองจะรู้เลยวันๆเลยนะความฟุ้งซ่านนะเอาจิตใจของเราไปครอบครองทั้งหมดเลยแทบจะไม่เคยที่มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเลยก็ต้องค่อยฝึกนะ ให้ฝึกให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้เนะี้ยสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาถ้าโสดาบัญมีปัญญาเล็กน้อยคือเห็นว่าสิ่งใดเกิดสีนี้นก็ตับเห็นแค่นี้เองาจากนั้นเราก็พาวนาของเราไปนะเมื่อก่อนเนี้ยที่สุรินทร์สมัยที่หลวงปูดด่โดนยังอยู่เนะ น, นี่ยคนพาวนาเก่งๆเนี่ยมีมากแล้วก็เป็นคราวาสตรงมีล้มหายตายจากไปมากกันลังหลัง หลังๆนะั้นอาจจะมีแต่หลวงพ่อไม่รู้จักเนาะไม่รู้จักไม่ได้มาทุกข์ขลีตนี้มากแต่ก่อนสมัยหลวงปู่ ย, ยางอยู่ทุกท์ขลีรู้เลยคนภาวนาเก่งๆเยอะจะทั่งฆรวาสฆรวาว่าสเก่งๆก็เยอะเลยนั้นพวกเราเป็นฆรวาสนะส่วนใหญ่ที่มาฟังมีครั้งก็มากนะวันนี้ก็อยากคิดว่าการปฏิบัติมันยากคนอื่นก็ทําได้เราก็ทําได้ไม่เหลือที่ิสัยหรอกที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะทํา ฝึกไปเรื่อยๆนะถือศี่ท่ามีสี่ท่าเอาไวก่อนพอมีศี่ท่าแล้วเนี่ยคอยฝึกรู้ทันใจตัวเองว่าใจมันหลงไปให้รู้ใจมันไหลไปให้รู้มันจะได้สมาธิขึ้นมาแล้วใจมันไปยินดีใจมันไปยินร้ายคอยรู้ทันนะในส่วนเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยคือจิตที่มีสมาธิสมบูรณ์แบบที่จะใช้เจริญปัญญาไม่ใช่จิตสงบเฉยๆนะ ใจจิตตั้งมั่นเปิดที่ไม่ได้บังคับมันไหลเรารู้ไหลเรารู้คือ ถ, ถ้ามันตั้งขึ้นมาเองแล้วถ้ามันเป็นหลงยินดีหลงยินได้ในอารมณ์เรารู้ทันจิตจะเป็นกลางเพรนั้นเมื่อไหรจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยจิตพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วก็มาดูความจริงของรูปนามกายใจไปเรื่อยบางคนไม่ถนดัดดูจิตใจก็ดูร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเีนะ้เห็นว่าร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ทุกข์เท่านั้นเลยนค่นคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเลยเห็นทุกข์เยอะแยะเลยพอเห็นมากๆมันก็คลายความยึดถือออกไปดังนั้นก็ลงไปที่เดียวกันการปฏิบัตินั้นนะไม่ว่าจะมาด้วยวิธีใดสุดท้ายลงไปที่จิตโยงเดียวหลวงปู่เดินพานจะนบอกว่าจิตเห็นจิตใอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคจิตเห็นจิตอยาแจ่มแจ้งคือเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ที่ได้เห็นเห็นทุกข์แล้ว ถ้าเห็นทุกข์แจ่มแจ้นะงแล้วก็ครานี้จิตจะเข้าถึงธรรมแจ่แจ้งนะในแปลส่วนอีกแล้นะที่ส่วนแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงที่รู้จักทุกข์ น, นั่นเองงั้นการรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจเรื่อยเห็นไ ใ, ในใจนี่นะใจแล้วมันทุกข์นะในใจนี้มันทุกข์ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้ดูมันไปดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกอย่าขี้เกียจดูดูไปจนจิตมันยอมรับความจริงถ้าเมื่อไหร่ เข้าใจความจริงเบื้องต้นเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดสีนั้นดับนี่เป็นภูมิธรรมที่หนึ่งนะเป็นปัญญาขั้นต้นแต่แฟนจะเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์นี่เป็นภูมิปัญญาขั้นกลางเป็นภูมิธรรมของพระนักธรรมีถ้าถัดจากนั้นนัะจะเห็นว่าตัวจิตนี่นนคือตัวทุกข์ตัวที่จิตเป็นตัวทุกข์นี่เข้าใจยากที่สุดเลยโลดโกดนเขาเคยบอกหลวงพ่อวันนึงนั่งอยู่กับท่านอยู่กับโลโกอย่าพูดมาก นังนี่ๆนั่งเงียบๆคอหนังเราไปเดี๋ยวท่านบอกเองธรรมอะไรควรบอกท่านบอกเองไม่ต้องถามหรอกวันหนึงก็นั่งอยู่กับท่านแล้วท่านก็ปรารภให้ฟังหรอกเออเราพิจารณาแล้วนะนักปฏิบัติส่วนใหญ่นะกระทั่งคนที่เป็นครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงมากๆนะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ท่าอย่างนี้ผีใหญ่ก็เป็นโพรงทาไมยังจะเป็นโพรงอยู่ที่ท่านไม่ได้บอกเร า, าไส่เกจเอาซ่อยเรียนเอ ได้เป็นลมอยู่ก็เพราะว่าแต่รักษาตัวจิตผู้รู้เอาไว้ไปทัศน์สงวนรักษาจิตเอาไว้ไม่สามารถเห็นความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์นั้นขั้นที่แตกหักของการปฏิบัตินะนี่หลวงปู่สอนหลวงพ่อครั้งสุดท้ายหรือที่ท่านสอนเองก็คืองเพราะผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทํำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ต, ตัวที่ทําลายผู้รู้ลงไปได้นะทำลายด้วยปัญญา คือเห็นความจริงว่าจิตผู้รู้นี้คือตัวทุกข์ที่ท่านสอนนั้นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมั่งต้องค่อยๆฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากคือสีห้าสรุปเลยนะมีเวลาจาํากัดมากเลยคือสีห้าทุกวันทํำในรูปแบบทํากรรมฐานสอย่างหนึ่งแล้วสังเกตจิตตนเองไม่ใช่ทํากรรมฐานแล้วบังคับจิตให้นิ่งนะไม่ใช่ทํากรรมฐานแล้วบังคับจิตให้สงบทํำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป พุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปรู้ทันหายใจไปจิตเคลื่อนไปรู้ทันขยับมือเดินจงกรมอะไรจิตเคลื่อนไปรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆในสุดจิตจะไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับจิตที่ไม่เคลื่อนเนี่ยมีสองแบบถ้าไม่เคลื่อนตามธรรมชาตินะจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บทควางแต่ถ้าบังคับไม่ให้เคลื่อนนจะเป็นผู้เครียดเครียดอึดนัดถ้าใจเราพอนาแล้วอึดอทดนะทำกิ่แล้วล่ะเป็นตัวรู้จอมปลอมแล้วใช้ไม่ได้นะนั้นตัวรู้จริง แค่รู้ทันว่าใจเคลนะื่อนตัวรู้จริงๆจะเกิดขึ้นอลัาจากนั้นเดินปัญญานะดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปถ้าดูกายจะดูง่ายว่ามันเป็นตัวทุกข์ถ้าดูใจก็ดูง่ายว่าเป็นตัวไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แต่แล้วสุดท้ายก็เห็นวนะ่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำ น, นาจนี่ถ้าฝึกเยี่ยงนี้ได้นะั้นไม่นานหรอกก็จะได้ธรรมะนะก็ เ, เข้าใจธรรมะขึ้นมา จะ ไ, ได้รักษาสึบทอดศาสนาไปนะศาสนาเราถูกรุกรานมากนะตอนเนี้ยมีศัตรูภายนอกศัตรูภายในศัตรูไหนน่ากลัวที่สุดภายในเพราะพระพุทธบอกไว้เองคนอื่นทําลายศาสนาพุทธไม่ได้นะพุทธบริษัทเนี่ยเป็นตัวทําลายศาสนาพุทธทําลายด้วยวิธีไหนทำลายด้วยการไม่ศึกษาปฏิบัติถ้าศึกษาแล้วปฏิบัตินะไม่จะรักษาสึบทอดศาสนาไป ที่จริงแล้วศาสนาพุทธนะเป็นเรื่องของการมีเหตุผลนธตรมาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่สมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลเหตุและผลเนี่ยมีทั้งสองด้านมีเหตุที่ชั่วมีผลที่ชั่วมีเหตุที่ดีมีผลที่ดีมีเหตุที่ชั่วเป็นโลกียะเหตุมีผลที่ชั่วเป็นความทุกมีเหตุที่ดีสีสมาธิปัญญานะ มีผลที่ดีคือโลกุตตรธรรมเย่างเดียที่ว่าเราจะทำเหตุที่ดีหรือเหตุที่ชั่วเราเองเรามีสิทธิเป็นที่ที่จะเลือกเนื่ยชาพุทธเราเท่ตรงนี้นะเรามีสิทธิที่จะเลือกอนาคตของตัวเองถ้าเราอยากเป็นเปรตเราก็โลภให้มากเข้าไว้ทำเหตุให้ชั่วเข้าไว้ถ้าเราอยากตกนรกนะเราก็โกรธบ่อย สันนิลกนะไม่มีความสุขคิดที่โกรธไม่มีความสุขนะถ้าเราอยากเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หากใจลอยเอาไว้นะี่มีวิธีเยอแยะเลยถ้าอยากเป็นอสุ ร, รกายนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเซลล์จกัจกจหน่อยหรือเล่นคุณใสเล่นอะไรนี้นะเป็นอสุ ร, รกายไดนะ้เนี่ยทำเหตนะุก็มีผลเราเลือกได้นะ เราเลือกได้ว่าจะทําเหตุที่ดีหรือเหตุที่ชัว่วเหตุที่ดีเราจะมีศีลเราตั้งใจรักษาศีลได้ไหมศีลมีหลายระดับนะศีลเบื้องต้นเรอนอาตั้งใจรักษาศีลที่สูงขึ้นไปเนะี่ยอาศัยสติรักษาจิตรักษาที่จิตโดดเดี่ยวเองถ้าจิตไม่ผิดศีลกายวาจาก็ไม่ผิดศีลวิธีก็คือถ้ากิเลสอะไรเกิดที่จิตนะให้รู้ทันตามองเห็นกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันว่ามีกิเลสกิเลสจะดับ ศีลมันจะเกิดจะไม่ผิดศีลปูได้เย็นเสียนกิเลสเกิดขึ้นมีสติรู้ทันจิตก็จะเป็นกุศลขึ้นมาไม่ผิดศีลเนี่ยอย่างนี้เป็นศีลชั้นสูงนะเรียกว่าอินเสียสังวรศีลไม่ใช่ศีลธรรมดาศีลห้าศีลสิบศีลแปดศีลสองรอยี่สิบเจ็ดเนี่ยศีลธรรมดายังมีศีลที่สําคัญสําหรับนักปฏิบัติเรียกอินเสียสังวรเรามีสติ คอยรู้เท่าทาันใจของเรากิเลสได้เกิดรู้ทันรู้ทันนะอะนั้นเราก็เอาตัวรอดได้ไม่ผิดศีลเรา mm hmm. เราทำเหตุ mm hmm. ให้เกิดสมาธิสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิว่าความตั้งมันเรามีสติได้แหละคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมันแล้วสมาธิจะเกิดสมาธิจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราทําเหตุของปัญญาคือเราลุกดูกายดูใจอย่างที่มันเป็น ใจของเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้สังเกตการ์แล้วเราดูความจริงของกายดูความจริงของใจไปนี่เราทําเหตุของปัญญาใจเราตั้งมั่นมีสมาธิอยู่เราเห็นกายเห็นใจมีทำงานใจปัญญาจะเกิดเมื่ีท่านถึงสอนบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิไม่ใช่สงบนะสงบไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาสงบจะทําขี้เกียติที่ครั่งแต่ว่าจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อตัว จะได้นะ เ, เดินปัญญาได้ต้องฝึกนะค่อยๆฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนฝึกให้มากๆดังนั้นถ้าเราตัดสินใจนะว่าเราจะทําเหตุที่ดีแล้วก็เลือกทาศีลเลือกทําสมาธิเลือก ท, าทําปัญญาให้เกิดสุดท้ายโลกุตระธรรมก็จะเกิดขึ้นจิตจะบรรลุมรรคผลไม่มีใครสัง่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุของจิตเอง เื่อที่เราพาวนาเนะีเรารู้สึกว่าอีกนิดหนึ่งบรรลุรั้วอีกนิดหนึ่งบรรลุแล้วไม่บรรลุหรอกตอนที่จะบรรลุธรรมะนะไม่ได้คาดหวังไม่ได้คิดจิตเต็มไปเองมันฝึกตัวของมันนี่เองอาศัยที่เราฝึกศีลสมาธิปัญญาให้มากๆแต่ถ้าเราไม่ชอบเส้นทางสายนี้เราก็เลือกทําชั่วไปเคยมีคนไปถามพระเจ้านะว่าพระองค์อสอนได้แต่เรื่องดีๆใช่ไหมเรื่องไม่ดีสอนได้เป็นใช่ไหมโลกไม่ใช่ท่านรู้หมดนะ ทางไปอาบายท่านก็รู้ทางไปมักคผลท่านก็รู้นั่น อ, อยู่ที่เราจะเลือกนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกอนาคตของตัวเองอยากเป็นสัตว์นรกก็ได้อยากเป็นสัตว์ด เ, เดรัจฉานก็ได้อยากเป็นอสุรกรายอยากเป็นเปลงก็ได้อยากเป็นมนุษย์ก็ได้อยากเป็นเทวดาอยากเป็นรมอยากนิพพานทำได้ค่อยๆฝึกห่อยนะาะไม่ยากหรอกใจลอยนะ ใจหนีไปใจหนีไปนะครับไม่มีสมาธิชอบคทีคยสุดแต่อย่างนี้ดึงไว้ใจหลงไปเนะี่ยสุดตรงย่อหย่อนดึงอาไว้สุดตรงข้างบังคับไม่ใช่ทางสายกลางเอาสายกลางรู้ว่าเื่องแล้วจิตรู้จะเกิดึ้นใคลายฝึกทำนะเอาละเอาสมควรเจ็เวลา